Thank you. ท่นที่เป็นพระใหม่ที่เพิ่งบวชลงไปแก้งครลอตอนบ่ายก็จะเรียกได้ว่าเป็นการสอบย่อยๆก็ให้เราให้คะแนนตัวเองว่าเราสอบผ่านหรือเปล่าเพราะว่าต้องไปเจอกับสภาพบรรยากาศที่แตกต่างจากสภาพวัดป่าบรรยากาศอย่างนั้นเราอาจจะคุ้นเคยมาก่อนในฐานะที่เป็นค า, ารวแต่ว่าพอ กลับออกไปใหม่ในฐานะที่เป็นพระก็อาจจะเห็นหรือสังเกตได้ถึงความแตกต่างโดยเพพาะเมื่อได้มาอยู่ในวัดได้มาปฏิบัติสามอาทิตย์เป็นอย่างน้อยเราอาจจะคุ้นเคยชีวิตหรือก็สภาพวัดป่าที่มันสงบอากาศก็พอใช้ได้เย็นสบายเป็นส่วนใหญ่แต่ว่า พอลงไปก็ไปในเมืองก็คงจะเห็นได้นะถึงอาการของใจเมื่อได้พบได้เห็นทั้งสิ่งที่น่าพอใจไม่น่าพอใจอาจจะมีทั้งอากาศที่ร้อนเสียงที่ดังผู้คนที่พุกพล่านอันนี้ใครที่คุ้นกับสภาพวัดป่าก็อาจจะรู้สึกว่าจิตมันกระเพื่อมไปในทางที่ไม่ชอบ มันอาจจะเกิดความหงุดหงิดรำคาญใจหรือเกิดปฏิกะ ข, ขึ้นมาแต่ในส่วนหนึ่งก็อาจจะได้เห็นถึงหรือได้รับรู้ถึงสิ่งที่ดึง ด, ดนะูดจิตใจดึงดูดสายตาอาจจะมีสิ่งที่ได้ยั่วยุให้เราอยากเสพอยากบริโภคไม่ว่าทางตาทางหูหรือว่าทางลิ้นนะ ของที่อยากจะกินมันก็มีอยู่เยอะเครื่องดืมที่ถูกออกถูกใจเรามันก็มีให้เห็นต่อหน้าอันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้ดูใจของเรานะว่าใจเรากับเพิ่มแค่ไหนสติที่เราได้ฝึกมาก็ได้มีโอกาสทดสอบกันพอสมควรยิ่งถ้าเราเกิดว่าเราบวชประเภทว่าปฏิบัติ ตลอดสามเดือนไม่ออกไปไหนเลยพ่อพรรษาไปนี่พ่อไปในเมืองนะหรือว่ายิ่งเข<อ>้ากรุงเทพด้วยเนี่ยก็จะยิ่งรู้สึกได้เลยว่าถึงอาการนานาหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นกับใจความรู้สึกแปลกแยกความรู้สึกที่มีทั้งแรงผลักแล้วก็แรงดู ด, แ ร, ด, ดแรงผลักก็คือความความวุ่นวายเสียงดังความร้อนแล้วก็แรงดูดก็คือสิ่ง ย, ยั่วนยะุที่เราอาจจะ เคยเสดเคยบริโภคอยู่เป็นประจำแล้วก็ดูว่าห่างเหินไปแต่พอมาเจอใหม่ก็ดึงดูดเข้าหาอันนี้เราก็ได้ดูใจของเราถ้าเป็นการฝึกที่เรียกว่าอินเซียสังวรได้อินเซียสังวรคือการสำรวมอินรีสำรวมอินรีในที่นี้มันไม่เหมือนกับสำรวมกายวาจาสำรวมกายวาจาก็หมายถึงการควบคุม กายควบคุมวาจาเช่นที่เคยชอบวิ่งก็อาจจะต้องคอยเดินช้าๆที่ชอบพูดก็อาจจะต้องพูดให้น้อยลงหรือพูดให้เบาลงแต่อินเสียสังวรเนี่ยหรือการสอนอินทรียเนี่ยมันเป็นเรื่องของใจก็หมายถึงการรักษาใจให้เป็นปกติไม่ยินดียินร้ายเมื่อได้เห็นได้ยินได้กลิน่นได้ฟังนะสิ่งต่างๆที่เข้ามาสู่การรับรู้ของเรา ไม่ใช่ไปปิดตาไม่ใช่ ป, ปิดหูหรือไม่ใช่ว่าหลบตาลงต่าเพื่อที่จะไม่มองสิ่งที่มันยั่วยุกิเลส ข, ของเราอันนั้นมันอาจจะเป็นสารวมกายแต่ว่าสารวมอินทรีย์ในความหมายที่แท้เนี่ยหมายถึงว่าไม่ว่าจะเห็นอะไรก็ตามแต่ว่าก็รักษาใจเป็นปกติได้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่น่าพอใจสิ่งที่ไม่น่าพอใจอันนี้ก็ต้องอาศัยสติโดยตรง การที่เราอยู่ในป่าในที่สงบเนี่ยจะว่าไปมันก็เรียกว่าเป็นแค่การซ้อมนะเป็นแค่การซ้อมมันไม่ใช่การลงสนามจริงลงสนามจริงก็คือการเข้าไปสัมผัสกับชีวิตจริ ง, อ ย, งอย่างที่เราได้ไปสัมผัสนะที่แกล้งเคราะห์มันก็เป็นชีวิตจริงนะชีวิตที่เกิดขึ้นทั่วไป เป็นชีวิที่ทยู่ถ้กลางสิ่งแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ที่อยู่นอกเหนืออำนาจการควบคุมของเราอยู่ที่วัดป่ามันแตกต่างกันเพราะว่ามันเป็นสิ่งแวดล้อมที่ถูกควบคุมให้ส่งเสริมชีวิตพรหมจัลท์ซึ่งถือว่าเป็นส่วนพิเศษส่วนยกเว้นมันเป็นสิ่งแวดล้อมที่เราควบคุมได้พอสมควรคนส่งเสียงดังเปิดวิทยุดังแล้วก็จะบอกเขาว่า หีเสียงได้ไหมมาบอกเขาได้เพราะมันยเป็นในเขตวัดแต่ว่าถ้าไปอยู่ในเมืองอย่างแก้งคอเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ต่างไม่มีสิทธิ์ห้ามร้านค้าก็จะเปิดเสียงดังรถจะปีดแตรดังเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปห้ามเขาสิ่งที่เราต้องทำย่างมากที่สุดก็คือการปรับตัวปรับใจของเราหรือว่าดูจิตดูใจของเราอันนี้แหละ ถึงเรียกว่าเป็นชีวิตจริงเรียกว่าเป็นการลงสนามนักกีฬาถ้าเอาแต่ซ้อมไม่ลงสนามมันก็ไม่ใช่นักกีฬาที่แท้การซ้อมนั่นก็ศูนย์เปล่าเราซ้อมเพื่อที่จะลงสนามแไม่ใช่ว่าเอาแต่ชกลมอยู่นั่นแหละหรือว่าเจอแต่คู่ซ้อมซึ่งเป็นคนคุ้นเคยแต่ว่าไม่เคยลงสนามจริงๆซึ่งคู่ต่อสู้เป็นใครก็ไม่รู้ ซึ่งอาจจะดดร้ายอ า, าจจะไม่ปราณีปราัยก็ได้ถ้าการปฏิบัติธรรมในในที่อย่างนี้เนี่ยมันเป็นการ้อมเสียมากกว่า้อมแล้วเราก็ต้องรู้จักลงสนามด้วยที่จริงแก้งคร้อนนี้ก็ไม่ใช่เป็นสนามที่น่ากลัวอะไรถ้าเป็นการสอบก็เป็นการสอบย่อยๆไม่ใช่สอบใหญ่แต่ว่าก็เป็นโอกาสที่จะทำให้เราได้ดูว่าเออเราลืมกายลืมใจบ้างหรือเปล่า เราไปตะลึงกับตลาดหรือว่าสินค้า น, านานาชนิดที่วางขายอยู่ในสิ่งเหล่านี้นี่มันก็ถือว่าถ้าเราไม่รู้เท่าทันนะเราก็ปล่อยใจไปกับสิ่งนั้นและบางทีเก็ปล่อยกายไปด้วยไม่ว่าลืมทั้งกายหรือทั้งใจก็ควรจะให้คะแนนตัวเองว่านะเราสอบผ่านหรือเปล่า<ม>เราเระลึกรู้ในกายและใจแค่ไหน เรียกว่าใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวหรือเปล่าหรือว่าตะลึงไปกับสภาพล้านค้านะต่างๆนะซึ่งไม่ได้เจอมา 2-3 สอาทิตย์แล้วการปฏิบัติโดยเพราะการเจริญสติเนี่ยมันต้องเข้าไปสัมผัสกับชีวิตจริงหรือกับสภาพแวดล้อมที่มันไม่อยู่ในการควบคุมของเราสภาพซึ่งเต็มไปด้วยความวุ่นวายอุกทึกแล้วลองดูว่าไอ้ที่เราสงบได้เวลาอยู่ที่วัดเนี่ยแล้วออกไปข้างนอกเราอย่างสงบได้ไหม สงบไม่ได้ก็แสดงว่าที่เราสงบที่นี่เป็นเพราะสิ่งแวดล้อมนะไม่ใช่เพราะว่าเรามีสติดีกว่าก่อนอย่างที่บอกไว้แล้ ว, วความสงบเนี่ยใจที่สงบเนี่ยอาจจะเกิดจากสิ่งแวดล้อมที่ทุกอย่างมันเรียบร้อยลงตัวอันนี้ก็สงบไม่ยากคนที่ไม่ใช่เป็นนักปฏิบรรัติทำมาอยู่ที่นี่สักอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวก็พุ้นเคยถ้ามีบางคนเคยหนีหนี้มาจากกรุงเทพมาอยู่ที่นี่ นะทิ้งลูกทิ้งเมียมามาอยู่ในสภาพที่ทั้งมีความทุกข์ใจทั้งมีสินทั้งห่วงลูกห่วงเมียห่วงครอบครัวแล้วก็แถมมาเจอกับชีวิตที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีโทรทัศน์เคยติดโทรทัศน์เคยติดนังเคยติดเที่ยวมาเขาเคยขึ้นไปอยู่บนหอไต่ตรทงที่หลวงพ่อจ่าอยู่ไม่มีใครคุยมาวันแรกสองวันแล้วก็ร้องไห้คิดถึงลูกแต่ก็ลงไปไม่ได้ติดต่อใครไม่ได้เพราะว่ากําลังหนีคดีอยู่ แต่ว่าพออยู่ไปสักอาทิตย์หนึ่งนะก็เริ่มคุ้นเคยอยู่อาทิตย์ที่สองก็เริ่มสบายเริ่มเริ่มสงบวันๆที่เขาไม่ทําอะไรเขาก็กวาดถูศาลาหอไตเนี่ยคือหอไตหอไตก็อยู่คนเดียวก็กวาดถูศาราทุกวันชีวิตเขเป็นระเบียบ ม, มากจากคนที่ชีวิตไม่เคยเป็นระเบียบนอนไม่เป็นเวลาตอนหลังก็ตื่นไปเวลานอนเป็นเวล า, นนวลามาทําวัดเช้าวัดเย็นทุกอย่างดูเหมือนลงตัวหมด พออยู่ได้สัก2อาทิตย์เริ่มมีความสุขแล้วไม่คิดถึงบ้านแล้วตอนหลังก็เริ่มสนใจเดินจงกรมสร้างจังหวะอะไรบ้างแต่ก็น้อยก็เริ่มเพลินจนกระทั่งตัดสินใจบวชเออบวชก็ดิ่เหมือนกันแต่ก่อนไม่เคยคิดว่าจะบวชได้อันนี้เรื่องของคนที่เขาไม่ได้คิดจะมาปฏิบัติแต่พอมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนี้ชีวิตเขาก็เริ่มพบกับความสุขความสงบแต่มันเป็นความสงบที่เกิดจากสิ่งแวดลอ้อม เกิดจากชีวิตที่ลงตัวเกิดจากชีวิตที่เป็นระเบียบซึ่งมันต่างจากเวลาเราออกไปข้างนอกหรือฉพอะไปใช้ชีวิตอย่างคนเมืองหรือแม้แต่ใช้ชีวิตอย่างชาว บ, บ้านสมัยนี้นก็มันก็แตกต่างอย่างมากจากชีวิตในในวัดนั้นต้องเจอสิ่งต่างๆที่คาดเดาควบคุมไม่ได้คนที่มาพูดคุยก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่เขาจะสนใจเรื่องปฏิบัติธรรมคนมีเรียกร้อยพ่อพันแม่ อันนี้เราก็ได้รู้แล้วว่าที่เราสงบเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเพราะอะไรเพราะเรามีสติรู้ทันผัสสะที่มากระทบหรือว่าเรามีสติหรือเราสงบเพราะเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ราบเรียบอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นักปฏิบัติธรรมจะต้องใส่ใจนั่บางทีเราก็ต้องออกไปนะออกไปเรียนรู้ออกไปสัมพันธ์ออกไปเจอกับสิ่งที่เจอทั้งแรงเสียดทาน จากสิ่งแวดลอ้อมจากผู้คนแล้วก็เจอทั้งสิ่งยั่ว ย, ยุให้เคลิบเคลิมหรือว่าให้เข้าหาโดยเฉพาะปัจจุบันมันก็มีแรงดึงดูดยัด่ว ย, ยุของบริโภคนิยมสิ่งต่างๆที่เขาอยากจะล่ออยากจะหลอกให้เราซื้ออยากจะหลอกให้เราบริโภคการเข้าไปสัมผัสแบบนี้ก็เป็นการศึกษาอย่างหนึ่งเคยจัดอบรมคารวะเรื่องเรื่องบริโภคนิยมที่จึงไม่ได้พูดเรื่องนี้โดยตรงพูดเรื่องชีวิตรวมกติ พูดถึงการดำเนินชีวิต ท, ที่ดีงามซึ่งปัจจุบันอุปสรรคของการดำเนินชีวิต ท, ที่ดีงามก็คือบริโภคนิยมเราก็มีการพูดคุยกันมีการทำสมาธิภาวนากันเสร็จแล้วก็มีช่วงเวลาหนึ่งช่วงเวลายาวๆเลยประมาณครึ่งวันให้เข้าไปในห้างสรรพสินค้าโดยมีข้อแม้ว่าจะต้องไม่ซื้ออะไรเลยเราก็ต้องไปดูนะไปดูไปมองไม่ใช่ไปลบนะไปดูไปมอง ตามชั้นต่างๆโดยเพราะของที่เราชอบซื้อชอบห า, อาจะต้องเข้าไปสังเกตเข้าไปดูแล้วก็ดูว่า 1. ่ดูใจของตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้น 2. ดูว่าที่ใจมันกระเพื่อมหรือใจมันแปรปานนี่เป็นเพราะอะไรบางครั้งก็พาเขาไปตัวเองไม่ได้ไปเองนะให้เขาไปไปแถวร้านนะเสียแถวลังสิต แต่บางทีไปจัดไกลๆเช่นนคะรมาฐมก็ให้ไปเนี่ยานเท s c o l โ t ตนะัที่แรกหลายคุณก็บอกว่าเทสโ o ้โรตัรอไม่น่าสนใจเลยเออถ้าไปสยามพารากอนนี่ค่อยน่ากลัวหน่อยนี่ให้ไปเท s c o l โรตันะมันไม่ค่อยมีอะไรที่น่าสนใจแต่พอไปเข้าจริงๆ2ชั่วโมงกลับมาก็บอกว่าโอ้มันมีแรงย่ยยุ่เยอะเลยนะโดยเฉพาะพวกร้านนาหารพวกร้านขนมร้านเครื่องดื่ม แล้วก็สินค้าที่เขาลดราคามันรู้สึกถึงใจที่มันดิ้นใจที่มันอยากจะเข้าไปซื้อเข้าไปเซฟเข้าไปซื้อแต่ว่าซื้อไม่ได้เพราะมีกติกาก็เห็นความทุกข์ของใจที่มันไปเซฟไม่ได้ไปซื้อไม่ได้ซึ่งความรู้สึกนี้เนี่ยไม่เคยเจอเพราะเวลาไปเที่ยวห้างเนี่ยอยากจะซื้อก็ซื้ออยากจะเซฟก็เซฟไม่เคยรู้สึกถึงถึงอาการที่ขัดแย้งภายใน ใ, นใจ ไม่ได้รู้สึกด้วยซ้าว่ามันมีความอยากเพราะว่าทันทีที่อยากก็ไปซื้อความอยากก็ได้ถูกลั ง, งับความอยากได้ล ก, การตอบสนองก็หายไม่ทันเห็นได้ความอยากบางคนบอกว่ามารู้ตัวทีหนึ่งก่อนที่จะซื้อมารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่ซื้อของนั้นเสร็จแล้วกลับไปที่บ้านห้องห่างของความรู้ตัวนี่มันห่างกันเลกเกินก่อนจะซื้อนี่ก็รู้ตัวเสร็จแล้วก็ลืมตัวไปเลยมารู้สึกตัวอีกทีอ่าซื้อของกลับมาแล้ว นี่เป็นอย่างนี้กันมากนะแต่พอเรามีกติกาว่าห้ามซื้อเนี่ยมันเห็นความอยากเพราะความอยากเวลาเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้รับการตอบสนองมันก็ดิ้นมันก็เกิดอุ ป, ปทานขึ้นมาแล้วมันก็จะมีพบพบก็คือการกระทาการหาข้ออ้างเพื่อที่จะซื้ อ, อของนี้มันถูกนาถ้าไปหาซื้อที่กรุงเทพคงไม่ได้ราคาอย่างนี้บางคนก็หลงกลซื้อไป ดังด้งที่รับปากเลยว่าจะไม่ซื้อเพราะมีกติกาไว้หลายคนก็บอกว่าโอ้ที่แรกคิดว่าเทสโก้โรตัสนี่มันธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรเพราะว่าตัวเองเนี่ยไปเที่ยวห้างใหญ่มานะเ น, นีเ่ยจนทุ่นเออพยามพาเราก็เหนื่อยไม่คิดว่าเทสโก้โรตัสนี่มันจะทําให้เผลอตัวลืมตัวได้ขนาดนี้มันก็ได้เห็นนะแต่คนที่ไม่ซื้อก็มีเยอะก็ก็เห็นนีว่าความอยากมันมีเยอะ แม้แต่ร้านธรรมดาในหัวเมืองคือแถวกำแพงแสนไม่ใช่ในความปฐมนะกำแพงแสนก็ยังมีความอยากได้อันนี้ตรงนี้เนี่ยคือสิ่งที่คนปัจจุบันไม่ค่อยเห็นหรอกเพราะว่าพอเรามีความอยากปุ๊บเราซื้อปั๊บเลยจิตมันก็เลยไม่มีการดิดน้นรนหรือว่าทยานอยากเพราะว่าความอยากมันได้รับการตอบสนองภายในเวลาไม่นานอยากปุ๊บซื้อปับ๊บอยากปุ๊บซื้อปับ๊บ อันนี้ก็เป็นเป็นบทเรียนซึ่งที่จริงเราก็น่าจะฝึกได้ไม่ต้องรอให้เป็นคารวะต่อไก็ได้เป็นนักบวชเป็นพระเนี่ยเวลาเราเข้าเมืองดูอลองดูซิวา่าไม่ทําให้ซื้อไม่ควักเลยจะเกิดอะไรขึ้นมันจะได้เห็นใจจริงๆเลยนะเห็นเป๊ะซี่เห็นน้ามัดลมเห็นของกินสารพัดแต่ว่าซื้อไม่ได้เราจะเห็นใจของเราว่าใจของเรานี่มันคืน้นมันดิ้นหล่นยังไงบ้างเวลาเดินธรรมยาราเนี่ย มีเด็กนักเรียนมาเยอะ ๆ, ๆเด็กในกเรียนจากกรุงเทพมาคนนี้ก็เจอความยากลาบากเวลาเจอขนมเจอร้านขายติม่มเวลาเจอร้านนี่ก็ซื้อแหกเลยไอติ่มเออรซื้อเมาเลยทั้งที่เวลาอยู่ในเมืองไม่สนใจหรอกเพราะว่าเขาซื้อไอติ่มราคาแพงเซเว่นเซ็นอะไรอาเก็มดัสเนี่ยแต่พอมาเจอไอติมบองเนี่ยเอาทั้งนั้นแหละแล้วพอลองให้เขาลองศึกษาดูว่าถ้าไม่ซื้อเลยจะเกิดอะไรขึ้น เราไม่ควักเงินเลยเดินธรรมยัตราไม่ต้องควักเงินเกิดอะไรขึ้นทำไม่ได้นะบางคนยอมแพ้ตั้งแต่ว่าบอกกติกาก็ไม่เอาแล้วกไม่สู้บางคนก็คิดอยากจะลองดูเหมือนกันแต่ก็สู้ไม่ได้อ น, นี้คือสภาพที่เรียกว่าเวลานี้ไอ้สิ่งที่มันดึงดูดให้เกิดความอยากให้อยากเสรอยากบริโภคมันมีเยอะมากตัวหนึ่งก็อยากจะได้เสพรสชาติที่มันเ พ, เพลินเป็นสุขเวทนา อีกส่วนหนึ่งมันก็อยากจะได้ภาพลักษณ์บางคนนี่ก็ไม่ได้กินไม่ได้เสพเพื่อเพอราะรสชาติหรอกแต่เพราะมันมีมันเท่มันให้ภาพลักษณ์ที่ดูเป็นคนทันสมัยอย่างพวกวัยรุ่นหรือว่าเดี๋ยวนี้เด็กแ้่เด็กประถมก็มีความรู้สึกแบบนี้คือมันต้องมีของที่ใครๆก็มีกันนะเพื่อจะได้มีภาพลักษณ์เป็นคนทันสมัย เป็นแมนนะเป็นผู้หญิงเก่งเป็นคนมีความสามารถแล้วแต่ว่าเขาจะโฆษณาอย่างไงถ้าเป็นน้ำมันลมก็อยากเป็นคนรุ่นใหม่อันนี้มันเป็นการไม่ให้เสริมตามาตัณหาแต่มันไปเสริมตัวมานะมานะคือความอยากเป็นตัณหานี่มันคืออยากมีอยากเสพแต่มานะคือความอยากเป็นอยากเป็นคนดังอยากเป็นคนเด่นอยากเป็นคนมีอานาจอยากเป็นคนที่อยู่สูงกว่าเขา อยากเป็นคนดีก็ามานาันกันนะบางทีมันเป็นความอยากที่ต้องการเป็นโน่นเป็นนี่เพื่อสูงกว่าเขาเพื่อให้ดูเด่นกว่าเขาการบริโภคก็เป็นวิธีหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะเท่าทัานด้วยถึงแม้ว่าอยู่ในป่าแบบนี้อยู่ในวัดแบบนี้มันจะมีสิ่งเหล่านี้มารบ ก, กวนน้อยนะแต่มันก็มีมาเรื่อยๆนะเพียงแต่ว่ามอาจจะไม่มีสรีภาพมากกว่าเวลาเข้าไปในเมือง อันนี้ก็คือการเรียนรู้จากของจริงเราการที่เราต้องรู้จักเรียนรู้จากของจริงบางจากชีวิตจริงจากสิ่งที่มากระทบไม่ใช่คอยหลบไม่ใช่คอยหลบว่าสิ่งไหนที่ทำให้เราทุกข์เราก็หลบอันนั้นมันไม่ใช่เป็นวิธีการปฏิบัติอย่างที่เคยพูดถึงว่าเนี่ยพระามนี่มาบอกพระเจ้าว่าวิธีการปฏิบัติของตัวหรือวิธีการฝึกฝนอินทรีย์หรือวิธีการพัฒนาตวของตัวคือว่าไม่มองไม่เห็นไม่ได้ยินนะ ไม่ไปริ่มรถอะไรที่มันกระตุ้นให้เกิดความชอบความชังก็ไม่ไปยุ่งกับมันพระเจ้าบอกว่าวิธีแบบนี้มันก็ไม่ต่างจากคนตาบอดคนหูหนวกคนเป็นใบในถ้าทําแบบนี้ว่าเป็นการตบรมอินทรีย์คนตาหนอหูหนวกก็เป็นผู้ที่ได้รับการตบรมอินทรีย์หรือเป็นผู้ที่พัฒนาตนแล้วนั้นมันไม่ใช่มันต้องเข้าไปเข้าไปเจอเข้าไปสัมผัสแล้วก็เรียนรู้บางทีการเรียนรู้จากของจริงเรียนรู้จากอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นแม้มันจะเป็นอารมณ์อกุศล ก็เป็นประโยชน์ไม่ใช่ว่าจะต้องเรียนรู้แต่สิ่งที่มันเป็นบวกอย่างเดียวสิ่งที่เป็นลบ ก, ก็ต้องเจอบางทีครูบาอาจารย์ที่เก่งท่านก็ต้องทําให้เกิดอย่างนี้ขึ้นมามีเรื่องเล่าเกี่ยวหลวงปู่บุดดาเนี่ยมีคาราที่ท่านไปขึ้นธรรมมาดคู่กับท่านเจ้าคุณรูปหนึ่งซึ่งจบประโยชนเก้าเป็นเจ้าคุณที่มีความรู้ท่านเห็นหลวงปู่บุดดาก็รู้สึกบิ่นอยู่ในทีว่าเป็นหลวงตาแ ก, แก่ หลวงปู่บดานี่กว่าท่านมรณนะภาพก็ร้อยเอ็ปีเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่ท่านคงกแก่แล้วถนะ้าหกสิบเได้เห็นว่าเป็นพระบัณฑนอกนะเป็นหลวงตาก็เลยถามว่าตามในคำนองเยอะๆนะว่าหลวงปู่วันนี้มาเทศเรื่องอะไรท่านก็บอกเทศเรื่องตัวโกรธเรื่องกิเลสตัณหาวันนี้ท่านก็เลยอยากจะลองภูดหลวงปู่บุญดาว่าตัวโกรธมันเป็นยังไงอ่ะหลวงปู่บุญดาตอบสันตินนะี่ยแหละบอกว่าพระอโกรธเลยนะโกรธ ไม่ยอมขึ้นทำไม้กับหลวงปู่หลวงปู่ก็เลยขึ้นทำไม้คนเดียวเสร็จแล้วก็เทพเสร็จท่านก็ลงมาขอคขอมาเจากก้าคุณรูปนี้เขบอกว่าเนี่ยตัวโกรธเป็นอย่างงี้ไงหน้าแดงๆดงอแข็งแข็งเกิดขึ้นล้นี่เทพไม่ค่อยออกเทพไม่ค่อยขึ้นนี่แหละรู้จักไว้นะตัวโกรธเป็นอย่างงี้แหละคือถ้าพระรูปนี้ท่านเจ้าคุณรูปนี้ท่านทลาดท่านมีสติท่านก็จะรู้เออได้เรียนรู้จริงๆนะเพราะความโกรธที่เราเรียนรู้มันเป็นความโกรธ ในตำราความโกรธจากที่พระท่านสอนว่าโกรธแล้วต้องทําอย่างนี้ต้งทำอย่างนั้งงนางงานะบางทีก็เทศเรื่องการระลงความโกรธได้เป็นกุ้งเป็นแควแต่ไม่เจอเองตัวโกรธยังไงตัวกามตัวตันหาก็เหมือนกันเราก็เรียนรู้ได้นะถึงแม้จะพลาดตาเสียทีไปก็เออถือว่าเป็นความรู้อันนี้แหละคือเราต้องหัเรียนรู้จากของจริงบ้างแล้วเมื่อเราเรียนรู้จากของจริงแล้วนี่มาต่อไปมันจะไวสติมันจะไว เพราะว่าเจอของจริงบ่อยๆสติมันจะทําหน้าที่ระลึกได้จําได้จําได้แล้วเนี่ยพอพอมาอีกทีเกิดขึ้นอีกทีมันก็อาจจะพลาดท่าเสียทีหรือ จ, จะลืมไปแต่ความจําได้ก็จะเร็วขึ้นเร็วขึ้นการที่ของเราชีวิตของเรามันจะมีความปกติสุขได้ต้องอาศัยสติที่ระลึกได้ไวสมัยก่อนท่า น, นก็ในพระเตรบิดาก็เปรียบมันก็ว่าระลึกได้เหมือนกับมาอาชาในาเร็วมากแต่สมัยนี้มันต้องเร็วกว่าเร็วกว่ามาแล้วละ่ะพอมาก็อย่างชานะต้องเร็ว ต้องเร็วเร็วอะเร็วพอๆกับกระพริบตาเลยจะให้เร็วกันนั้นก็ยิ่งดีการระลึกได้มันช่วยทำให้เราปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บเพราะว่าช่วยโรคที่เข้ามาในร่างกายเรามันเข้ามาทีแรกร่างกายเราก็สู้ไม่ไหวก็ป่วยไปบางทีเกือบตายแต่ถ้ารอดมาได้เนี่ยมันมันมกจะไม่เป็นอีกอเช่นไข้ทรพิษโรคหวัดอฮิวาเนี่ยหรือว่าพวกไข้ ที่เกิดจากเชื้อแบคที ria พวกนี้ถ้าเป็นมาครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยเป็นอีกเพราะว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายมันจําได้เมื่อจําได้พอมันเจออีกก็จัด ก, การได้คนที่เป็นไข้ทรัลพิลเป็นได้ครั้งเดียวไม่มีไม่มีเป็นอีกแล้วมีหลายโรคที่เป็นได้ครั้งเดียวแต่วาดนี่มันมันไม่ใช่เกิดจากแบคที r ียมันเกิดจากไวรัสไอไวรัสนี่มันเปลี่ยนรูปแปลงโฉมไปได้เรื่อยๆสติก็เลยจําตัวนั้นได้แต่เจอตัวใหม่มาจําไม่ได้แล้วมันแคบ เปลี่ยนมาร์กเกอร์หรือเปลี่ยนลักษณะบางอย่างพื้นผิวข้างนอกเนี่ยไม่กี่ตัวภูมิคุมการในร่างกายก็จําไม่ได้แล้วนั้นการสู้กับไวรัสเป็นเรื่องยากโรคเอชก็เลยไม่มียารักษาแต่ถ้าแบคทีเรียรพวกนี้นี่ร่างกายบอกสบายมากเจอครั้งเดียวจาได้เลยไอ้สิ่งที่ทําให้เราทุกข์ทางใจก็เหมือนกันความจะป่วยทางใจที่เกิดจากอารมณ์ก็เหมือนกันมันต้องเจอของจริงบ่อยๆถึงจะจําได้ ถ้าไม่เจอเลยพอเจอเข้าทีเดียวตูมเสร็จเลยอย่างเก่นคนที่ไม่เคยผิดหวังเนี่ย mm hmm. เด็กสมัยนี้ที่ไม่ค่อยเจอความผิดหวังทุกอย่างเรียบร้อยราบรื่นไปหมดพ่อแม่ก็เอาอกเอาใจนะพอเจอความผิดหวังเขา้าบางทีเอาตัวไม่รอดเอาตัวไม่รอดผิดหวังจนกระทั่งจะตายจะฆ่าตัวตายหรือบางทีก็เกิดโทสา์อย่างแรงตามความโกรธไม่ทันอย่างมีคนเขาเล่า เล่าทางโทรทัศน์ให้ฟังก็พูดถึงลูกนีคือเวลาลูกไปไหนนี่ก็มักจะห่วงใยคอยโทรศัพท์ติดตามเช้าก็โทรกลางวันก็โทรบ่ายก็โทรตอนที่ลูกเด็กๆก็ไม่เป็นไรแต่พอลูกเข้าจะวัยรุ่นแล้วลูกชักลาคานกินข้าวแม่ก็โทรมากินข้าวหรือยังบ่ายแม่ก็โทรมากินข้าวหรือยังมีวันหนึ่งโพรชาแล้วก็โทรอีกทีมาตอนบ่ายสมเลย ลูกรับสายได้ยินแม่ถามว่ากินข้าวหรือยังลูกบอกว่าแม่ตอนนี้บ่ายสาแล้วนะถ้าผมไม่ได้แดกเนี่ยผมตายไปแล้วโกรธโมโหแม่นะีคือได้รับความเอาใจใส่นะเอาใจตลอดเวลาจกนกระทั่งไม่เคยเจอไอสิ่งที่มันขัดหูขัดใจแต่พอโตขึ้นอารมณ์แปลเปลี่ยนความขัดอกขัดใจมันเกิดขึ้นได้ไดง่ายมากเพียงแค่แม่โทรมาถา ม, มบ่อยๆก็ลำคาญ แล้วก็ไม่รู้เท่าทัานความร้องคาญแล้วก็พูดอยาบขายกับแม่นี้เป็นอย่างนี้กันมากเพราะว่าการที่ไม่ได้เจอกับความทุกข์ไม่ได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์หรือว่ารู้เท่าทัานความทุกข์ตลอดจนอารมณ์อกุศลต่างๆองแต่ถ้าเกิดเราเจอไม่บ่อยๆเจอไม่บ่อยๆเนี่ยแล้วก็เรียนรู้นะหัดดูใจของเราอยู่เสมอๆ เ, เนี่ยสติมันจะจำได้แล้วก็ทําให้เราจัดการหรือว่าสามารถจะปล่อยวางอารมณ์เหล่านั้นได้